เรืองท่านพระอาจารย์ปฏิบัติต่อสตรีเพศสตรีเพศนั้นเป็นเพศยั่วยวนกามกิเลตของบุรุษเพศในขณนะเดียวกันบุรุษเพศก็เป็นที่ยั่วยวนกามกิเลตของสตรีเป็นคู่กันมากับโลกฉะนั้นพระเทราชื่อว่าพระอานนทผู้ทรงคุณสมบัติถึงหประการ ข้อที่ว่ามีนิติคืออุบายเป็นเครื่องนำไปของพระเทระนั้นพระอานน์ได้เล็งเห็นการไกลต่อพระภิกษุผู้จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในการต่อไปข้างหน้าในวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานจึงกราบทูลถามเรื่องการปฏิบัติต่อสตรีเพศของพระภิกษุว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันพระภิกษุในธรรมวินัยจะปฏิบัติต่อสตรีเพศอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอ น, นการไม่รู้ไม่เห็นเป็นการดีถ้าจําเป็นต้องดูต้องรู้ต้องเห็นควรทำอย่างไรพระเจ้าคะ่ะตรัสตอบว่าถ้าเห็นไม่พูดเป็นการดีถ้าจําเป็นต้องพูดก็ต้องมีสติ พูดพอประมาณข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นอนุโลมคือตามไปหรือเป็นอนุวัตคือความกลับแต่ท่านนั้นปฏิบัติเป็นปฏิโลมคือถอยหลังกลับหรือปฏิวัตกลับหลังเมื่อจำเป็นต้องพูดมีสติพูดเมื่อเห็นไม่พูดเจรจา เอาข้อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสคือไม่รู้ไม่เห็นเป็นหลักท่านว่าคือไม่รู้ไม่เห็นเป็นการดีนั่นเองในการสังเกตของผู้เล่าท่านพระอาจารย์จะปฏิบัติขอไม่รู้ไม่เห็นตลอดมาเสมอต้นเสมอปลายเพราะท่านไม่คลุกคลีกับเพศหญิงเลยแม้แต่หลานเหรนของท่าน เส้ทสายของท่านจะยึดข้อนี้ตามแนวของท่าน